ช่วงเช้าเป็นเวลาสั้นๆนะครับจะ <c oughs> ให้บทเรียนประจำวันกันมีการบ้านนะครั้งนี้เพื่อบางท่านบางคนจะนำไปศึกษาปฏิบัติอย่างจริงจังได้สำหรับบางคนที่ทำไปตามอารมณ์หรือทำไปตามใจก็ก็ไม่ได้ผลอะไรเหมือนกันผลแต่สงสัยปวดหัวง่วงคิดมาก เวียนอยู่อย่างนั้นร้อยวันพันปีก็ไม่ก้าวหน้าถ้าไม่มีการทำแก้ไขให้ถูกต้องนะครับซึ่งมันจะเป็นเพรา ะ, ะตัววิบากมันบังเราอยู่หรืออะไรที่มันปิดเราอยู่ที่เป็นสาเหตุแบบนั้นแต่บางคนก็มีความใส่ใจตั้งใจศึกษาในรายละเอียดทุกๆระยะ เพราะนั้นเราจะเห็นว่าความก้าวหน้าของนะักปฏิบัติแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก้าวหน้าไปไวปฏิบัติมา3มปี5ปีก็ทํางานไปไกลบางคนปฏิบัติมา10ปี20ปียังอยู่ที่เดิมนะอันนี้เราก็เป็นกฎเกณฑ์ของวิบากต่างๆเราก็ยอมรับแต่ก็ดีกว่าเราไปทําอย่างอื่นนะครับเราถึงแม้มันจะช้าขนาดไหนเราก็พยายามไปเรื่อย นะอย่างน้อยเราก็ไม่ไปทุกข์ยากลำบากเรื่องธรรมะหายกินแบบชาวบ้านแต่ว่าถ้าเราทำไม่ถูกเราไม่มีการแก้ไขมันก็จะมีการทำผิดไปเรื่อยๆการทำผิดก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งบาปเป็นเหตุแห่ง ก, กรรมไปเรื่อยๆได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาท่านจึงเน้นความถูกต้องเป็นหลักไม่ใช่คําว่าสัมมาสัมมาสมมาสัมพุทธะ สมาทิฏฐิสมาคำว่าสมาเรานไปว่าถูกต้องตรงไว้ว่าชอบหรือว่าดีเนี่ยก็เราก็พยายามปรับให้มันถูกต้องตามที่พระองค์ท่านสอนในหลักการพวเทียนแม้ว่าผมจะเข้าใจได้ชัดเจนแล้วก็ตามแต่ผมก็ต้องเอามาเปรียบเทียบกับหลักที่พพุทธเจ้าท่านตรัสสอนด้วยว่าตรงไหนมัน เข้ากันได้ตรงไหนเข้ากันไม่ได้ตรงไหนมันผิดตรงไหนมันถูกก็เอามาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> อย่างวันนี้ที่เราสวดไปพูดถึงเรื่องความอยากทุกสมุทัยทุกการสมุทัยสัตว่าด้วยเรื่องของเหตุของทุก็กเรารู้จักกันง่ายๆว่าความอยากความอยาก แต่เราไม่เคยลงไปลึกในรายละเอียดว่าความอยากมันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่เรานำมาสวดโดยละเอียดปิยะรูปังสาตาลูปังสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอยใจเป็นที่รักเป็นที่พอใ จ, น, น, อใจนั้นก็ให้เกิดความอยากที่เราสวดตั้งแต่แรกนะว่าคือท่านจะพูดถึงกล่าวที่ไปที่มา นั่นในในที่เราสวดในบางครั้งผมก็มาเปรียบเทียบดูแล้วก็มาหาหลายละเอียดดูว่าเอ๊ะมันมันสวดเป็นเรื่องไยสาระหรือเปล่าเรื่องเป็นปเรื่องมีจริงก็ทำให้เรามาค้นหาค ำ, <c oughs> ตำตอบจากที่เราปฏิบัติในวิธีการของพุทธเถียนด้วยแล้วก็มาเปรียบดูตำราด้วยที่ในตาราบอกว่าความพยายาอยากเนี่ยทำให้เกิดใหม่ จิตมันปกติเนี่ยที่มันไม่มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นปกติหมายถึงมันดับมันดับแต่ว่าการเกิดโดยธรรมชาติมันมีอยู่เกิดการไหลเวียนของธาตุสี่ดินน้าล ม, มไฟแต่เพียงพอดีโดยรูนี่มันเกิดแล้วแต่วเวลานะแต่ในในสมุทัยเนี่ยท่านหมายถึงการเกิดของ ของตันหานะเพราะการเกิดตันหาที่เราควบคุมไม่ได้นั่นเองก็จึงเป็นวิบากทำให้เราเกิดมาเป็นรูปอันนี้รูปอันนี้มันก็จึงมีการเกิดอย่างถาวรว่ารูปนี้หมายถึงตัวธาตุสีที่เป็นรู ป, ปราธาตุดินน้าลมไฟเพราะรู ป, ปราธาตุผสมกันในสัดส่วนที่พอดีก็อให้เกิด <c oughs> อากาศาธาตุเรียกว่าอากาศาธาตุ อากาศาธาตุเข้าไปทํางานในาธาตุสีก่อให้เกิดตัววิญ ญ, ญาณาธาตุคือมาเกิดตัวรู้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นตัวรู้มัน <c oughs> เกิดตัวาธาตุรู้ขึ้นมาแต่ในวัตถุอื่นที่มาทํางานได้ตามระบบวิทยาศาสตร์เช่นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รถลาต่างๆเนี่ยมันทํางานได้แต่ว่ามันไม่มีวิญญาณาธาตุ มันอาศัยธาตุห้าเหมือนกันดินน้ำหรือไฟอากาศมันก็ทำงานได้แต่มันทำงานได้เพราะอาศัยวิญญาณธาตุของคนเข้าไปเรียกว่าเป็นนามนะคบอกว่า <c oughs> ที่มันเกิดเพราะดยอำนาจของนันธิราคะนันธิราคะที่เต็มที่มันไปด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจของความเพลินผมก็เลยมาจับจุดนี้ว่าเป็นเหตุ ของต้นต้นของความอยากที่เกิดที่ใจเพราะความเพลินเพราะความเพลินก็ให้เกิดราคะนันทิก็ให้เกิดราคะแล้ในวิธีการปฏิบัติเราเข้าไปดูความคิดเข้าไปดูความคิดเข้าไปดูความอยากเราก็ไม่รู้ไอ้ความคิดความอยากมาจากไหนเราก็กลับไปดูตาราโอ้ความคิดความอยากมันมาจากความเพลินแล้วเพลินในอะไรล่ะเพลินในสุขเวทนา เพลินสุขนในเวลาในเวลาเราเห็นรูปก็มีเห็นรูปสวยๆเห็นรูปที่ชอบใจแล้วก็เพลินในการดูได้ฟังเสียงเพราะๆ เ, เสียงเพลงเสียงคุยกันอยากได้ฟังคนนั้นคุยอยากได้ฟังคนนี้พูดคนไหนที่เราชอบเราลั ก, กอยากได้ยินเสียงของเขาแล้วก็เพลินในการฟังเสียงเวลาได้กลิ่นรสนะอาหาร ที่เราจะต้องอเผชิญในสมุวโงข้างหน้าเนี่ยได้กินอาหารได้รสอาหารแล้วก็ให้เกิดเพลินเกิดความอาสาะถ้าเกิดความอร่อยแล้วก็เพลินในการกินเส้นกินรสสัมผัสเวลาอากาศร้อนอากาศหนาวเกินไปเราก็ไม่ชอบเราก็หาสัมผัสที่มันสบายอุ่นพอสบายเย็นพอสบายแล้วก็เพลินในอุ่นในเย็นนั้นแม้แต่เราไปนั่งยืนเดินนั่งสึกหนักเกินไปเบาเกินไปก็ถ้าหนักเกินไปเราก็ ไม่ต้องการแต่ต้องการเบาพอบ ร, ริเวนเบาเราก็เพลินในความเบาก็เพลินอีกเพราะฉะนั้นในอารมณ์คิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาคิดแต่เรื่องนั้นตลอดมันสามารถเพลินได้ทั้งหกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมคำว่าเป็นนันทิเพราะนั้นนันทิเราจะไประวังทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเลยเนี่ยมันไม่ทันมันมาทีละทางละทางไม่ทันเราก็มาดู นันทิที่เกิดความเพลินความชอบอความชอบในใจท่านใช้ว่าโสมนัสสะเวทนาคือความยินดีความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบพอยินดีแล้วมันก็ติดใจเรียกว่าอภิชาพอติดใจแล้วอยากจะให้มันอยู่ได้ในะสิ่งนั้นนานๆก็ไปแช่เรียกว่านันทิพอไปแช่แล้วอยากจะให้มันมีกำลัง สนุกมากขึ้นแล้วว่ากามฉันทะกามฉันทะเราก็อยากจะให้มันมีสิ่งตอบสนองเรื่อยๆไม่อยากแห่มันหยุดหรือ ว, ว่าราคะราคะก็อยากให้ตอบสนองมีกำลังสนุกสนานมากขึ้นแล้วว่าตัณหามันก็แตกงอกออกรากไปเรื่อยๆแต่ในความเชื่อมต่อระวางสุขเวทนาโสมนัสสาวิทนาอภิชา นะสี่สีรากต้นเนี่ยคือความสบายกายทําให้เกิดความยินดีพอใจทําให้เกิดติดใจแล้วมาทําให้เกิดเพลินคือ น, นันทิและตัวเพลินตัวนี้เองต่อนเนื่องไปให้เกิดราคะเกิดกามตัะหาเพราะว่าตันหาบิภวะตันหาเกิดตัวโลภะนะเกิดตัวกามะกามานุใสาราคะนุใส จนไปถึงกามาสวะมันมีตัวเพลินเป็นตัวเชื่อมเพียงตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไประวังความสบายกายความพอใจความติดใจมันระวังไม่ทันพอสติเราไม่พออย่างน้อยไปทันที่นั้นทิมันรู้สึกชอบใจรู้สึกเพลินแล้วนะอยากจะแช่แล้วนะเราไปทันอย่างนั้นก็ยังดีแต่ตรงนั้นเราก็ยังไม่ทันอีกมันก็ไปเป็นกามฉันทะคือพอใจฉันพอใจแบบนี้ท่าก็ทําแบบเนี้ แบบนั้นฉันไม่พอใจฉันก็ไม่ทําเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นกามฉันทาพยาบาทะไม่พอใจตัวนิวร์เพราะตัวนิวรนมาเป็นตัวที่ห้าเนี่ยตัวที่หนึ่งสุคุยธนาตัวที่สองโสมนัสสาวทนาตัวที่สามอภิชาตตัวที่สี่นันทิตัวที่ห้าถึงจะเป็นกามฉันทาอามาบัญญัติเป็นนิวร์ตัวที่หนึ่งอันเนี้ยเราเราดูแล้วโอ้หลักอันนี้เราจึงมาเอาที่สั้นว่าเออดูเพลก็ดูเพลินนะถ้ามัน ติดใจในความสบายเรียกว่าเพลินถ้าจิตใจในความไม่สบายเรียกว่าเผลอเราก็จะมาดูสองตัวนี้พอมาดูตัวนันทิกับมาดูตัวอพยาปาทะคือความเผลอความอุกิดดังนั้นเมื่อเราไล่ดูอย่างนี้เราก็แคบเข้ามาง่ายๆเอ๊ะก็ตรวจสอบ่เออเราเพลินไปหรือเปล่าเวลาได้ยินเสียงเออเราเพลินไปไหมเวลาเราทานอาหาร เออขาอบอกวความเพลินมาจากความชอบใจนะความพอใจความติดใจตอนนี้เราติดใจในรู้สึกกี่แล้วสัมผัสอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราเดินจงกรไปนานๆแล้วติดใจในการเดินไม่อยากนั่ง <c oughs> เดินเพลินไปหรือเปล่าหรือนั่งนานๆมันรู้สึกติดสงบมันรู้สึกซาบซึ้งดื่มด่าในความสงบเราเพลินในการนั่งไม่อยากจะลุกไปไหนให้เราเพลินไปหรือเปล่าเนี่ยเราค่อยๆตรวจสอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเมื่อเราเพลินอันไหนก็เปลี่ยนเปลี่ยนนั้นนั้นออกไป เปลี่ยนไปทำอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่ามัน เ, เพลินต่อการนั่งหลับตาแล้วก็ไม่อยากจะยกมือแล้วหรือยกมือแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนไปเป็นเดินแล้วเดินแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนไปเป็นนั่งนะมันก็จะไปแช่ได้ันหนึ่ง น, น, นั้นเวลาเวลาปฏิบัติเรื่องที่ยพยายามปรับเปลี่ยนเยียบบทอยตัง้งระยะเวลาเอาไว้ว่าท่าละหนาทีนะท่าลสินาทีนะรู้สึกพอใจไม่พอใจกำลางให้เวลาแค่นี้มันก็จะสลับ <c oughs> สับเปลี่ยนไปในช่วงชสั้นๆก็ทําให้เราบริหารจัดการความรู้สึกเผลอและเพลินได้ง่ายขึ้นนะครับอัตัวนี้แหละที่เราเราสวดว่าทําไมตัณหาจึงเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะมีตัวตัวเพลินทําให้อะไรต่อมามเขาบอกตัวเพลินมักจะเพลินในอารมณ์นั้นๆตัตราตระพินันทีนีแต่ว่าในาชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราถ้าได้ของชํารวยเขาเรียกของอภินันทนาการ เอาอภินันทนาการเข้าหน่อยของอภินันทนาการอภินันทะมันยิ่งยิ่งขึ้นน่ะมันมาจากคําว่าอภินันทิอ่ะอภินันทิเป็นอภินันทนาการเอามาบวกกันเป็นภาษาไทยของเราว่าอภินันทนาการแล้วเขาบอกทะยานอยากในกามคือความอยากจะเป็นอยากที่มีในสิ่งกามาตัฐหาเกิดแล้วใช่ไหมครับอ่ะพออภินันทิก็ให้เกิดกามาตัฐหาอะ นั่นที่ก่อใเกิดราคะราคะใเกิดการมรดฐานาผวาฏฐานาบีผวตัฐหาเกิดขึ้นมานี่ท่านบอกว่าความอยากนั้นน่ะเมื่อจะเกิดมันเกิดในที่ไหนยังโลเกปิยะรูปังสาตารูปังก็เกิดในสภาวะที่เราเราชอบดอกไม้นี้ฉันชอบมันเกิดตรงนี้ก่อนเพราชอบก็พอใจสาตารูปังเพราะนั้นคําว่าปิยะรูปังมันเกิดจากความชอบในวัตถุนั้นนั้นเช่นเสียง เพราะเป็นปิยะลูปังแล้วก็พอใจอยากจะฟังเสียงนั้นเป็นสาธะลูปังอาหารนี้อร่อยเป็นปิยะลูปังอยากจะกินมากๆขึ้นเป็นสาธะลูปังนะครับโอนั่งแบบนี้สบายเป็นปิยะลูปังเมื่ออยากจะสบายอยากนั่งนานๆเป็นสาธะลูปังไอ้ทุนี้มันจะมันจะบอกให้หมดที่เรื่องบอกว่าความพยายินี้เมื่อจะเกิดเกิดกันในที่ไหน ถ้าเกิดที่ไหนก็ตั้งที่นั่นก็เกิดที่ความพอใจก็ตั้งอยู่ที่ใจถ้าเกิดที่ความพอสบายกายก็ตั้งอยู่ที่กายครับบอกเมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกีรติสัมผัสเกิดสองลักษณะคือสาตะปียาลูปังก่อนเกิดชอบใจในลักษณะของรูปเสียงกีรตนั้นแล้วก็เกิดสาตะลูปัง <c oughs> ก็คือเกิดความพอใจ อในในรูปเสียงขีดลดนั้นทีนี้มันก็จะแยกออกมาเป็นรูปกับเสียงจักขูวิญญาณโสตวิญญาณขานาวิญญาณมาจักขูสัมผัสขานะสัมผัสกายสัมผัสมนโน ส, สัมผัสพูดถึงหลายลยยะเอียดถึงรูปปัญหารูปสัญญาเตจนารูปปัญหารูปรวิตกรูปปวิจารณ์แม้แต่ธรรมวิจาร น, นะครับธรรมวิจารุวาเนี่ย แม้แต่ธรรมวิจารย์ยังเป็นสมุทยัยทําให้เกิดทุกข์เช่นว่านําเอาเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตามาพิจารณานี่เป็นธรรมวิจารณ์นะเพราะว่ามันไม่เป็นสภาวะจริงเกิดขึ้นแค่ น, นั้นเรียกว่าธรรมวิจารณ์แต่พอเราเดินไปเรารู้สึกหนักขาเดินไปรู้สึกมันคิดมันปรุงแต่งแล้วกอ็อันนี้เป็นเข้าไปดูอาการมันคิดอย่างไรมันปวดขามันปวดแล้วเข้าไปแก้ไขปรับออกตรงนี้เขาไม่เรียกว่าธรรมวิจารย์เรียกว่าธรรมวิจัย พอเข้าไปลักษณะสภาวะที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเข้าไปแก้ไขเรียกว่าธรรมวิจัยแต่สิ่งนั้นยังไม่เกิดนํามาคิดเรียกว่าธรรมวิจารเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่สิ่งนั้นเกิดขึ้นอยู่แล้วนํามาพิจารณาแก้ไขเป็นธรรมวิจัยเป็นเหตุให้ดับทุกข์คำสองคาน้แต่เป็นคนละขั้วเลยธรรมวิจารเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมวิจัยเป็นเหตุให้ดับทุกข์ธรรมวิจารนำเอาอาดีตอนาคตที่เกิดไปแล้วมาพิจารณา ธรรมวิจัยนาเอาสิ่งที่ขณะเกิดขณะนั้นัน้นเอามาพิจารณาเอามาสำรวจเอามาแก้ไขเป็นธรรมวิจยัยครับเพราะฉะนั้นในนี้ธรรมวิตกธรรมวิจารก็ยังเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่นะเนี่ยธรรมวิตาโกวาอ่านะแล้วก็ธรรมวิจารโรวาที่ได้สวดมามื่อี้เพราะนั้นในบทนี้ความยากมันเริ่มต้นตรงไหน ก็สํารวจให้ถูกว่าความเพลินวิขี่มิขี่มาเริ่มเดี๋ยวทำไมจึงเพลินอ๋อมันเกิดความสบายกายสบายลิ้นสบายตาสบายหูสบายจมูกสบายลิ้นสบายตาสบายหูสบายจมูกสบายลิ้นสบายกายถ้าสบายมาสู่สบายใจเรียกว่าโสมนัสเวทนาพอความสบายใจเรายังม่ตามตามไม่ทันอีกควาสบายใจเราอยากจะแช่เนิ่นนานก็กลายมาเป็นอภิชาเพราะฉะนั้นเวลาเราเจริญสติ ทั้งกายเวทนาจิตธรรมท่าบอกว่ามาตัดที่อภิชาแต่เนื่งองจากว่าสติสัญญาเรายัางอ่อนตัดไม่ทันที่อภิชาคือความติดใจแล้วก็เพลินในความติดใจสักพักหนึ่งท่านบอกให้ถ้ามาละที่ตัวอภิชามาไม่ทันให้มาละที่ตัวนันทิคือความเพลินแต่ถ้าเลยตัวนันทิไปแล้วละยาก ล, ละราคตันหาก a r m ไปเนี่ยละยากละเพราะนั้นอย่าง จเจริญสติในระดับเราๆอย่างน้อยที่สุดให้ทันที่นันที่ครับมันเริ่มเพลินแล้วเปลี่ยนแต่ขนาดว่าเราชอบใจติดใจนี่ยังยังไม่เคยทันนะครับเพราะว่าเราเราอยู่กับตัวความเคยชินมานานเพราะนั้นก่อนที่มันจะมาเกิดตัวกรารมาฉันทะซึ่งเป็นตัวที่ห้าตัวที่หกก็ตัวหลกตัวที่หกตัวตัณหาที่เจ็ดเพราะว่าตัณหา ก า, ารากษ์ ว, ว ต, ตัวที่แดก็วิพากั์หาตัวที่เก้าก็ตัวเป็นกามปุปาทานตัวที่สิบก็เป็นโลภตัวที่สิเอ็ดโลภานุใสตัวที่สิบสองกลาฆานุใสตัวที่สิบสามมาเป็นทวากามกามาสวาละเอียดที่สุดละมันจะกลายเป็นนิสัยเป็นเป็นเป็นบุคลิกของเราละนะเพราะฉะนั้นไอตัวคําว่าสบายกายเนี่ยไม่มีสติตามรู้มันขยายลากไปถึงสิบามราก คนให้สิบสามรากท่านบอกว่าอย่างน้อยให้ทันสักรากที่สี่ทันไหมนันที่เนี่ยถ้าไปรากที่ห้ากายมาเป็นนิวรณ์นะครับกายมฉันทะเริ่มตัดยากแล้วกายมฉันทะคือความว่ า, อ, าอยากจะเสพอยากจะคลายอยากจะสนุกสนานในรูปเสียงกยลิรสสัมผัสที่มากระทบให้มากขึ้นถ้าหากมันไม่ตอบสนองตัวนั้นก็เกิดวิภาวะขึ้นมาไม่พอใจเพราะฉะนั้นวิภาวะกับตัวพยาบาทะคือตัวเดียวกันวิภาวะคือไม่อยาก นะพอไม่ได้ไม่ได้อย่างใจอะไม่สมใจแล้วก็เกิดปฏิฆะหุนหิตเพราะฉะนั้นตัววิภาวะเนี่ยเป็นเหตุแต่ตัวพยาบาทะเป็นผลนะเมื่อมันไม่ไดอ้อย่างใจแล้วกเกิดงุนหิตหุน ง, งานแช่จมในสิ่งที่เป็นภาวะที่ทุกข์อันนั้นก็ก่อให้เกิดตัวง่วงตัวเหงาตัวเบื่ตบอตัวขี้เกียจตามมาเป็นนิวรณนะครับฉะนั้นเอง เราจะพัฒนากําลังของสติสัมปชัญญะให้ชัดเจนตามหลักของสัมปชัญญะ4ประการที่เราได้กล่าวมาวันก่อนอติดตามดูเขาว่าคําสอนนี้ไม่ใช่คนของผมแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างนี้เราก็เพียงแต่เอามาทำตามแล้วได้ผลพอได้ผลเราก็มาบอกเคลื่อนอเราก็เราก็มีศรัทธามีความเพียรแล้วเราถึงเข้ามาปฏิบัติกัน เมื่อเรามีศรัทธาความเพียรแล้วเราศรัทธาและความเพียรของเราจะไม่สูญเปล่านั่นหมายความว่าเราจะทํำในสิ่งนั้นอย่างถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเราทําสิ่งนั้นไม่คํานึงถึงความถูกต้องเอาตามใจฉันศรัทธาและความเพียรของเราก็สูญเปล่าไม่มีผลอะไรนะครับเราไม่เสียเวลาแต่นั้นชีวิตทั้งชีวิตมันจะไม่ได้อะไรเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเนี่ยมันก็เสียดายทั้งทังที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านตรัสรู้เนี่ยไม่มีใครที่ทําไม่ได้ ถ้ามีศรัทธาและความเพียร น, นะครับแล้วก็ทำอย่างถูกต้องแค่นี้ง่ายๆนะมีความรักมีความเพียรให้ทำอย่างถูกต้องมันจะช้าขนาดไหนก็ก็ไปได้นะผมเคยนะําเรื่องของอน้องของพระจุลปันถกุกพระมหาปันถกมาเล่าบ่อยๆว่า จุฬาปัญโกเนี่ยมีทึกเือขนาดไหนขนาดว่าพี่ชายมหาบรรโถกดลบลุทำแล้วด้วยคาถาบทเนี่ยเช่นบทว่ามนโนปูพังขมาธรมามนโเามนเสถามโนเมยามาราซาปทุเทนภาสติวากโร ต, ติวาตัโตนางทุกขมโนเวติจักกังวะวะหะตประทังแค่บาดเดียวสบรรทัดเนี่ยให้มาท่องทั้งพรรษาไม่จําเลยโบเขาไปสอบอารมณ์น้องชายหลังเจบพรรษาถามว่าเป็นไงเข้าใจไหมบทเนี่ย ไม่ค่อยใจแล้วก็จําไม่ได้ด้วยครับพี่ชายได้ตัดาศินว่าเมื่อเธอไม่มีวาสนาบาบรมีแค่ในี้จำไม่ได้ไม่ต้องมาปฏิบัติให้ยากเราออกไปเลี้ยงไปดูแลเขาเป็นลูกกับพ่อทั้งสองคนนะทั้งพี่ทั้งน้องพ่อแม่เขาตายแล้วก็อยู่กับตายายเงั้นออกไปดูแลตายายกักนผมบวชอง์เดียวก็พอเธอไม่ต้องบวชไปดูแลทีนี้ท่านจุลละมันถกก็ยังไม่อยากจะเสื่อก ยังยังอยากจะอยู่ต่ออยู่แต่เมื่อพี่ชายไล่ให้ศึกก็จําเป็นต้องไปครับเขาเคารพกันก็ร้องไห้ออกจากวัดไปพอไปถึงหน้าพระเชตวันเห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่เช้าตรู่นะเดินจงกรมอยู่หน้าวัดอ่าทีนี้ในมือของท่านอาจจะถือผ้าอะไรสักชิ้นหนึ่งในมือของท่านเห็นจุลมะถกเดินร้องไห้ออกจากวัดท่านก็เอาไปไหนจุลมถะถุกมาขอสึกกลับบ้านขอรับเอาทำไมล่ะ พี่ชายไล่กลับบ้านทาไม่ไล่อ่ะว่าผมทั้งพรรษาและไอ้แค่ค า, า, าถาที่ท่านให้มาสี่บราทัดผมจำไม่ได้ท่านก็บอกว่าผมไม่มีวา ส, สนาบา ร, รมีแล้วก็ให้ผมศึกไปเลี้ยงทายายเอาไม่ไปไรไปไ้มนีมนีท่านจะจัดการให้นะเธอเอาผ้านี้ไปนะเพราะท่านถือผ้าอยู่ผ้าขาวผ้าขาวนะนุง่งไปนั่งท้ายวิหาร ในช่วงที่เธอนั่งเนี่ยอย่าไปนั่งหลับตานั่งดูผ้าดูนี่นะแล้วก็มือลูบไปเรื่อยๆอบริกรรมว่าผ้านี้ขาวหนอะผ้านี้ผ้านี้ไม่เปื้อนเปื้อนไม่เป็นมนทินมาก่อนหนอะระชัวร์านังระชังฮัติและชัวร์านังระชังฮัานาติเป็นภาษาของเขานะท่านทําแต่เดีเช้าท่านมีความศรัทธามีความเริ่มใส่มีความรักในพระพุทธเจ้าในครูบาอาจารย์มากถ้าตั้งใจทํา พอไปตกบ่ายเนี่ยก็รู้อากาศมันร้อนเนาะตอนบ่ายร้อนเหงื่อมันก็ออกเหงื่อที่ฝ่ามือบ้างฝุ่นผงที่มันปิวมาจากที่อื่นมาติดใส่ผ้าขาวทึ่นิ่งขาวๆใสๆอยู่เนี่ยมันกลายเป็นมัวมัวหมองหมอ ง, มองก็กลายเป็นเปือ้อนเน่ยเพราะที่อาจจะฝุ่นจะผงปลิวมาจากข้างนอกมือก็เหงือ่อเปื่อนพอไปถึงตอนบ่ายตกบ่ายมาท่านเอ๊ะเกิดได้สติขึ้นมาอา้าในเช้านี่ผ้าขาวใสเดี๋ยวที่ทําไมมันมองมันอหมองอย่างเนี้ย แค่จิตเพ่งก็ไปดูตัวตัวผ้าที่มันกำลังที่มันมีสีเปลี่ยนไปเนี่ยเกิดจิตรวมครับเพราะจิตรวมครับเกิดทำลายอสาาวะทำลายอาวิชชาได้ขณะนั้นเลยเผานะเรียกว่ามีการเจะว่าเพ่งก็ใช่นะก็ว่ามันเกิด ได้สติขึ้นมาว่าะผ้านี่มันใสสะอาดทำไมมันเปื่อนไปได้ขนาดนี้ไปเห็นไตรลักษ์ครับอันนี้สัางทุกขังไดต า, ตาพอเห็นทีเดียวรอบเดียวปลืดไปจนบรรลุเลยทีนี้ท่านมหาบรรโหกเนี่ยท่านเป็นพระตุเทศพระตุเทศหมายถึงว่าผู้บีหน้าที่ในการนิมนต์พระเวลาคนเขาทำบุญตักบาทบ้านไหนบ้านไหนสมัยนั้นเนี่ยในวันนั้นเน่ยพระเออท่าน อนาถาวิติกาเศรษฐีทําบุญวันเกิดทําบุญวันเกิดนิมนต์พระห้าร้อยรูปมีพระพุเจ้าเป็นประธานนีพพานมหาปันถกนี่ก็ว่าเออมันพระตัวนี้ไม่ไม่ครบแล้วแค่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบเก้ารูปเพราะว่าอะไรสึกไปเมื่อวานนีิรูปหนึ่งก็พอถึงเวลาเช้าก็พานไปอีกวันหนึ่งนะผ่านไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปพอ อภัตอนาถวิธยิกาศเศรษฐีก็จัดของไว้ครบห้าร้อยชิ้นถวายภาชนะอาหาร5 0ห้าร้อยาเพราะถึงเวลาปรากฏว่านับพระแล้วไม่ครบพระมีสี่ร้อยเก้าสิบเก้าก็ถามมหาปัญโกว่าพระขาดหนึ่งรูปขอรับท่าน อ, อ๋อก็มีแค่เนี้โยมเพราะว่าเมื่อวานอาตมาให้สึกไปรูปหนึ่งพริเจ้าอยู่หัวแถวได้ยินได้ยินการสุนทากันระหว่างอนาถวิทิกากับท่านมหาปัถกุก ก็ถามไม่ไม่ได้สึกหรอกอยู่ที่วัดนั่นแหละเพราะตอนที่พระพุทธเจ้าเรียกไปคุยด้วยท่านมหามันถุกไม่รู้นะว่านี่เป็นเรื่องเฉพาะสองทั้งสองท่านเอออย่างนั้นเหรอเอาเสถียรเท่านงั้นไปท่านอยู่ตรงไหนท่าอยู่ยังอยู่ที่วัดนั่นแหละก็ใช้อ่าคนใช้ไปที่วัดพอไปถึงวัดคนใช้ก็ตกใจเอา้าไม่ได้มีพระรูปเดียวพระเต็มวัดเลยเหมือนกันครับ พี่ชามาบอกว่าไปไปเรียงพระเหลืออยู่รูปีไม่ครบห้าร้อยกลับไปนิมนต์ท่านมาทีนี้คนใชก้กอไปเห็นพระเต็มวัดก็วิ่งกลับมาต้าตั้งเลยว่าเอ้าทำไมพระเต็มวัดเลยท่านไม่ใช่รูปเดียวจะเอารูปไหนวะงั้นเออบอกเอามารูปนึงก็แล้วกันเยอะเยอะเอามารูปเลยก็แล้วกันพุทธิย่า ก, ก็รู้นะอะกลับไปทีเอารูปไหนรูปที่อชื่อว่าจุลนัฐบรรทุกกลับไปอถาม เขานี่ยมนท่านจุฬาบรรทกครับพระกําลังรออยู่ที่บ้านนั่นแหละทีนี้พระไปถามองค์ไหนก็ชื่อจุฬาบรรกหมดเลยทจำเป็นพันรูปเนี่ยกลับวิ่งกลับมาอีกถามมีพระจุฬาบรรทุกนี่เต็มวัดเลยขอรับอยากเอารูปไหนวะเงี้ยก็กลับไปอีกรอบหนึ่งพระพุทธเจ้าไดงบอกแนะนําบอกว่าเธอไปนะเธอไปจับแขนแล้วก็ถามว่าจุฬวบรรทุกใช่ไหมใช่เธอก็ดึงแขนท่านมาเลยโอ่อื่นไม่ต้องไปสนใจวะเงี้น ก็กลับไปก็เจ้าแขนเพ้าคนนิมนต์พระจุลวรุธเขาเล้าว่าจุงท่านมางานก็คนอีกเก้าร้ยเก้าสิบเก้าลูกหายไปแวบเลยนะตรงนี้ท่านบอกว่าหลังจากท่านได้บรรลุรมตัวนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากผ่านบรรลุด้วยเจโตวิมุตต์นะครับไม่ใช่ปัญญาวิมุตต์คือใช้วิธีเกิดอันนี้จังทุกขังร่างตาแล้วเกิดยานชาญขึ้นมาในการที่ท่านเพ่งเผาในการตรงนั้นทั้งวันในเกิดชาญเกิดการลุมตัว เป็นเจโตวิมุตต์พวกเจโตวิมุตต์อาจจะมีปัญญาบีริดมากครับเพราะนั่นก็สามารถแปลงหนึ่งให้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็ได้แปลงเป็นหมื่นคนให้เหลือคนเดียวก็ได้ทีนี้ผู้ทีเจ้าท่านก็อญญาจจะใช้พยานให้สื่อกับท่านพระจุลมัรษถ ก, กว่าให้ให้แสดงฤทธิ์ตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าท่านไม่ได้โงู้นะท่านไม่ได้ทึบอย่างที่พี่ชายเข้าใจนะท่านก็มีความสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ เพียงแต่ว่าไอ้คนสอนเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งของความเลื่อมใสพี่น้องไม่ได้เชื่อกันง่ายๆใช่ไหมเหมือนกับพี่เราอ่ะหรือน้องเราไปบอกนะไม่ใช่รับนะพี่น้องมันไม่เชื่อกันง่ายๆจะแน่ขนาดไหนก็อ๋อไม่รับง่ายๆหรอกอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราไปเจอพระอาจารย์ไม่ถูกใจไม่ถูกจิจเราจะสอนเก่ขนาดไหนแล้วก็ไม่ไม่รับไม่อยากรับเพราะว่าเกี่ยวกับตัวศรัทธาโบราณเขาเลยจะบอกว่าเออท่านไม่มีบุญวาสนาที่สร้างร่วมกันมา ที่สอนเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่ได้หรอกอนะันท่านองนี่นะพอเจอตรงนี้ปับ๊บเราก็ได้ข้อสรุปว่าอ๋อคนเราเนี่ยจะเรียกว่าจะทึบจะทื่อขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าได้บุคคลที่ถูกใจแล้วสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้สำนึกเนี่ยคนทั่วไปนี่ไม่ได้งงอย่างที่เราคิดนะครับแต่ละคนเน่ยเพียงแต่เราเปิดประตูใจเขายังไม่ถูกเท่านั้นเองทุกคนมี เขาเรียกว่ามีจิตใต้สํานึกไ ด, ได้ได้สั่งสมมาในอดีตเนี่ยมากมายนะครับที่ซ่อนอยู่ในใต้สํานึกของเราเนี่ยเพียงแต่ว่าคนที่จะไปเปิดประตูจิตใต้สํานึกให้มันมัจิตรู้สํานึกเนี่ยยังเรายังหาคนคนนั้นยังไม่เจอนะครับหาคนนั้นยังไม่เจอแต่บางคนมีโยนิโสมนาสิการมีศรัทธาเองมีปัญญาเองก็หาเจอได้ตัวเองเหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องรอครูบาอาจารย์ก็ได้ไม่จำเป็นทุกคนหาคนอื่นมาเปิดก็ได้ แต่ในกรณีที่คนคนนั้นไม่มีวาสนาบา ร, รมีที่สร้างสมเกี่ยวกับโยนิโสมนัสิการไม่ได้สั่งสมปฏิพันธ์ไหวพริบตรงนี้มาก่อนก็อาศัยบุคคลอื่นเข้ามาช่วยสร้างแรงบรดาลใจอย่างนี้ก็มีนะครับขณะเดียวกับผมนึกได้กล่าวว่าไม่มีใครโง่นะฮะในในโลกเนี้มีแต่คนมีสิ่งที่ดีอยู่ในใจทั้งนั้นอะ่ะเพียงแต่ว่าแรงบรดาลใจที่จะทําให้เกิดดัวสภาวะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อใด เราจะรู้เองเห็นเองหรือว่าอาศัยอาศัยคนอื่นมาชี้มาแนะให้มันเกิดความเข้าใจนะครับดังนั้นเองแต่และท่านอย่าไปดูถูกตัวเองว่าเป็นคนไม่รู้เป็นคนทึบคนหนาะคนไร้วัสนาบรารมีอย่าไปคิดอย่างนั้นนะแต่พยายามหามุมนะหามุมหาวิธีการทำความเพียรเนนะี่ยหลายแง่หลายมุมครับอย่าไป ติดอย่าไปยึดอยู่ในแง่มุมเดียวมันสร้างจังหวะแล้วมันง่วงก็ง่วงอยู่นั้นก็แก้ไขมันดีครับสร้างจังหวะแล้วมันเบื่อก็อย่าปล่อยให้มันเบื่อแช่อยู่นั้นก็หาทางเอาความเบื่อออกไปะเดินจุกลมเดินไปแล้วมันฟุ้งซ่านก็อย่าไปฟุ้งซ่านอย่างนั้นหาทางมีวิธีอื่นต้งเยอะแยะที่จะเอาออกไปเราจะไปเดินจุกลมจนปวดหัวได้ไงมีวิธีอื่นที่ต้องทําเยอะแยะแล้วทํามันไม่ทําตรงนี้นะครับต้องใช้ปฏิพานนิดหน่อยนะ มันมีวิธีเป็นร้อยๆเป็นพันๆวิธีแต่ขอให้นึกออกว่าเอ๊ะอันนี้มาจะแก้อย่างไงแต่ค่อยๆแก้ดูทํำเล่นๆนะครับไม่ต้องทําจริงจังทํำเล่นๆทาแบบสนุกสนุบแล้วมันก็จะพบวิธีแก้ไขได้ไง่ายๆนะครับเมื่อวานเนนนอนตมารายงานบอกอผมนั่งดูผมทําไปผมเบื่อในช่วงบ่ายผมก็ดูความเบือ่อดูจุนความเบื่อมันหายวับไปเลยเงั้นผมก็เลยโล่งสบาย อาแทนที่ผมจะลุกหนีไปทำเรื่องอื่นผมไม่รู้ผมลองสู้มันดูความเบื่อว่ามันจะไปถึงไหนพอรู้ว่าความเบื่อเนี่ยมันกบฏของนิจังทุกข์ฐานะตามอยู่ได้ไม่นานแต่ที่เราไม่ทนต่อมันก็เพราะความอดทนเรายังไม่พอพอพอเนรผ่านตรงนี้เกิดความสึกโล่งใจมาพบมารายงานผมเลยเนะเอออันนี้ถ้าจิตของเราสู้นะถ้าหาแก้โดยวิธีการยังไงมันมันไม่ไม่ตกก็มีวิธีเดียวคือหันหลังสู้ครับ สู้ด้วยปัญญานะครับไม่ใช่สู้โด้วยด้วยความบดทนอย่างสู้ด้วยปัญญาว่าเออดูแล้วมันมันเกิดยังไงไอ้ความเบื่อเนี่ยอาการมันเป็นยังไงดูลักษณะอาการเออเบื่อนี่ทำให้ท้อทาให้อ่อนอกอ่อนใจทําให้ล้าทําให้เหนื่อยทําให้อ่าเกิดความไม่มีกําลังขึ้นมาแล้วดูอาการเหล่านั้นแหละดูอาการที่มันเป็นนั่นแหละ ไม่ต้องคิดหาอย่างอื่นมาแก้ก็ได้ถ้าสู้ตรงๆนะอาการมันมีอย่างไรก็ดูมันอย่างนั้นมันปวดมันเมื่อยก็ดูอาการปวดเมื่อยขยับดูได้ว่มันปวดอย่างไงเมื่อยอย่งไงนะหาแง่มุมต่างๆเนี่ยมันผ่านได้ง่ายๆในอารมณ์นะแมนกับอพอดีเรามีพิษุนีกับอะไนั่นอยู่เดี๋ยวไปพบที่หลังกันเลยกันเนาะ นนั้นเองในจุดนี้ก็อยากจะให้พวกเราได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับเพราะในไหนเราเสียเวลามาเข้าค่ายด้วยกันเนี่ยมันจะต้องทำให้ถูกต้องเราจะบอกว่าเสียเวลาไม่ได้นะครูบาอาจารย์สอนไว้ดีไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างเราเรามีพร้อมตรงนั้นปัจจัยสี่พร้อมนะแต่มาอยู่ที่เราว่าเราจะตั้งใจแก้ไขปรับปรุงแล้ววิเคราะห์วิใจัยในสิ่งที่มันกาลังเกิดเนี่ยได้ ตั้งใจได้มากน้อยแค่ไหนเพราะวิธีการมันมีเป็นร้อยๆ อ, อย่างที่จะแก้นะครับแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจไม่รักที่จะทําไม่ใฝ่ใจที่จะทําในร้อยๆ้อยวิธีการที่แก้ก็ไม่มีนึกไม่ออ ก, รอกครับเพราะจิตมันมุ่งไปทางเดียวนะครับเพราะนั้นสมมุติว่าเดินไปสักชั่วโมงมันเกิดเบื่ออยากจะเปลี่ยนละก็ดูมันไปอีกนิดหนึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนมันอยากเปลี่ยนเพราะอะไรสัมรัจให้แน่นอนหรือไม่เช่าถึงชั่วโมงแค่ห้านาทีมันก็อยากจะไปทําอย่างอื่นนะ ออกหานาทียังไม่อะไรเลยทําไมแกเบือ่อไวจังก็มาสํารวจตัวเบือ่อคือเดินไปทั้งสามนาทีมันเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เริ่มสะกิด ต, ตัวเองไอ้จี้มันไม่คิดทําไมตอนนี้มันคิดเพราะอะไรจึงคิดมาดูอาการคิดมันเป็นอย่างไรคือจี้เข้าไปที่ตัวของมันเลยตัวไหนมันเกิดจี้ตัวนั้นตัวไหนเกิดจี้ตัวนั้นมันก็ค่อยๆหลุดไปนะครับอันนั้นต้องใช้ใชความอดทนและใช้ปฏิพันธ์ไหวเพิ่มนิดหน่อยในการสังเกต การที่เราทำแล้วมันเกิดอาการหนักมันเกิดอาการเบื่อจัดเกิดปวดหัวปวดท้องเกิดเวียนหัวเกิดเหนื่อยล้าอะไรพวกนี้แสดงว่าเราแค่อยู่ในอาการ น, านั้นนานเกินไปโดยที่ไม่ใช้วิธีการเข้าไปเฝ้าดูพิจรารณาแยกส่วนดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเดินก้าวหน้ า, าเดินไปข้างหน้าจึงเคยลองเดินถอยกลับข้างหลังมาดูดิมันเป็นยังไงอาการมันเปลี่ยนไปไหมอ่า เดินถอน ข, liquid, ข้างหลังมันก็ยังเบื่อเดินออกข้างบังสิเดินออกข้างมันยังเบื่อเดินหลับตาเดินบางที่เป็นยังไงหลับตาเดินมันก็ยังเบื่อก็ตํารวจลมหายใจเดินทีละก้าวช้าลงนี้เป็นยังไงพิ้ไปพิ้งมาเนี่ยมันเปลี่ยนก็ได้เลยครับแต่ขอให้เรามีวิธ e ีเปลี่ยนอย่าไปทําอยู่ในโหมดเดิมอย่าทําไปอยู่ในท่าเดิมเพราะเรารู้ว่ากดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปกฎอนิจจังมันต้องเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเราได้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันได้ แต่การที่เราจะเปลี่ยนแปลงมันนะเราเปลี่ยนแปลงด้วยสติด้วยปัญญาแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงด้วยอาการของสัชนชาตญาณหรือโมหะเพราะฉะนั้นแทนที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงมันพอเราเตรียมสติเตรียมสมาธิเตรียมปัญญาเอาไว้แล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการขอผมผมใช้เยอะนะบางทีเดินไปเดินมาอ่ามันง่วงผมก็ไปเอาไม้มาหักเล่น มือบีเล่นสักพักหนึ่งหรือไปจับใบไม้มาฉีกเล่นหรือไปดูไอ้ต้นไม้มันสีนี่เพราะอะไรหาหาเรื่องออกจากนั้นอย่าไปแช่อยู่ในสิ่งนั้นหาอะไรทําสักนิดหนึ่งก็ได้ครับหรือาบางทีมันง่วงนักเหลยไปหากเอาน้ําแล้วกาวมาแย่แย่มือตัวของเล่นแย่ไปแย่มามันตื่นครับหรือาบาทีเห็นหมดเดินไปนั่งดูมดครับดูไปดูมามันตื่นครับมันบางทีมันง่า ย, ายๆแต่แต่มันนึกไม่ออก ก็มันมันคิดไม่ออกในขณะนั้นนะแต่ว่าตัวพอเรคิดแก้ไขตัวนี้บ่อยๆมันเกิดปฏิพานของมันเองครับพอต่อไปมันจะเกิดนิวอรอนมาอะไรมาไม่กลัวแล้วครับเพราะมันมีอุบายเยอะแยนะนอันนี้คือวิธีการแตนะ่ลักษณะที่เรานึกอะไรไม่ออกก็ถือว่าเป็นวิบากมันบังไว้นะครับวิบากกับมมันบังไว้ก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันนี้ไปแก้วิบากไปใช้ความบดทนสู้ไปนะครับ เพราะฉะนั้นในช่วงเช้าถึงเพลเนี่ยเราก็พอจะทนกันได้แต่พอในช่วงบ่ายไปบ่ายสามบ่ายสี่ผมก็เดินดูแต่ละคนก็มีอาการนะครับอาการทําบ้างไม่ทาบ้างทําอย่างอื่นบ้างก็ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าขอให้รู้เนื้อรู้ตัวในการทํำมาแล้วกันแต่อย่าปล่อยหมดจนหลุดหมดนะถ้าปล่อยจนหลุดหมดเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยมันก็เสียท่ามันนะครับ เพรฉะนั้นในวันนี้นะครับลองเอาไปดูว่าการบ้านคือไปเฝ้าดูอาการของนิวรณ์แต่และตัวที่มันเกิดด้วยความอยากจากความเพลินนะครับเมื่อเราดูความเพลินไม่ทันจัดการไม่ถูกมันก็ต้องออกมาเป็นนิวรณ์ตั้งแต่การะฉันท ะ, ะความแช่ความจมความพอใจอย่างนั้นพอไม่ได้อย่างใจเกิดพยาประทะหมุดหงิดวุ่นวาย อ, อึดอัดขัดเคือง ปวดเสียนเวียนก้าวเกิดเป็นความง่วงพ อ, อทานข้าวเช้าก็ง่วงข้าเพลินก็ง่วงเราก็มาจัดการเหตุของมันว่าเราเพลอในการกินหรือเปล่าเลืลอในการดื่มเลืลอในการเสพหรือเปล่าแล้วเวลาเป็นเหตุปลายก็มันทำให้เราง่วงเนี่ยเราแช่อยู่ในอาการนั้นนานไปหรือเปล่าถึงง่วงหาสาเหตุให้เจอแล้วก็ แก่เหตุตรงนี้ไม่ได้กับแก้เหตุตนั้นเพราะผลมันมาจากหลายๆเหตุซ้อนๆกันไปแก้เหตุนี้ไม่ได้กับแก้เหตุนี้นะครับมันก็ต้องหลุดนะเหตุใดเหตุหนึ่งก็ไม่อยากจะให้อยู่ในนิวรณ์นานเกินไปนะครับตามปกตินิวรณธรรมจริงจริงอยสาวันมันหลุดแล้วนะครับแต่ห้าวันเจ็ดวันเก้าวันสิวันไม่ยอมหลุดนี่แสดงว่าเราเราผิดแก้ผิดแล้วแก้ไม่ถูกวันนี้เราไปแก้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะในไหนก็เรียกว่าเอะอีกวันสองวันมันจะหมดเวลาไอ คอแรกแล้วครับข้อละสิบ ว, วันนะ่ะคอที่สองเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาจากการนิวรเราจะไปศึกษาเรื่องปรมัภิโดยตรงแล้วก็ลงลึกในรายละเอียดครับเพราะฉะนั้นสําหรับญาติโยมก็เช่นเดียวกันแล้วก็ทําแบบพลานี่แหละเขาไปหาที่ให้แล้วเมื่อวานเปิดไปอีกโครงการหนึ่งโครงการสองไปเปิดโครงการสองได้อีกสามคนนะฮะเรียก ว, ว่าบ้านบ้านปลายคนะลองตรงนัง้นอาจารยสายกองต่างๆ ก็ดีนะครับได้อท่านทรงคุณอเด็กมาใหม่หนุ่มก้บคุณเดี่ยวนะก็เหลืออีกที่หนึ่งถ้าว่าใครทําอยู่ตรงนั้นแล้วสึกอาการไม่เคยดีก็ลองไปดามดูแล้วได้ค่าวว่าคุณลายชันจะอกลับไปทุ่งลาที่บ้านก่อนคุณลายที่ของคุณลาชันใกล้ๆในนอตก็ว่างตรงนั้นอีกที่หนึ่งอาจจะได้ ส, สักสองคนตรงนั้นนะ แต่สำหรับยมผู้หญิงอย่าพึ่งข้ามไปตรงนน้นเพราะว่ายมผู้หญิงก็อยากข้ามไปมาโอ้ที่เหมะเลเกินเพราะยมผู้หญิงนี่เกิดมด่อยเหน่อยพึ่ง่อยหน่อยก็วุ่นวายทั้งไข้แล้วนะะเพราะอ่อนแอมากเกินไปแค่พึ่ง่อยนี่หายากันอยู่ยาผมโดนเหลือบพิษต่ดอยทั้งสี่ห้าตัวยังเฉยอยู่นะฮะ ไม่ต้องวิ่งหายามักอบคุ้พวกนี้ครับมันปลุกเราตลอดเลยใช่ถึงนี้มันมาช่วยเรานะ่แมงวันแมงวีเนี่ยมาปลูกให้เราให้ตื่นนะนะแต่เราไม่รำคาญเราก็ใช้อุปกรณ์นะเราตัวอุปสรรคเป็นตัวอุปกรณ์ที่จะปลูกให้เราตื่นแต่ถ้าเราเปลี่ยนไม่เป็นในตัวอุปสรรคนี่แหละกลายไปเป็นตัวปัญหาใหญ่แม้แต่เล็กๆน้อยๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ ทางไปบาซิก้าก็หาทางปฏิบัติอยู่ทางเนี้ยโซนข้างทางนี้คนที่มีที่ที่เยอะแยะนะใต้ต้นมะพร้าวเราอยู่ติดๆที่เดิมลงไปเดินใต้ต้นมะพร้าวดูบ้างอย่างนั้นมันกระแวกไอ้ ต, าาตงรงมะพร้าวตกเสงหัวกูหรือเปล่านะมันก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมไปเดินใต้ต้นมะพร้าวไอ้ก้านมะพร้าวจะตกลงมาหรือเปล่ามันง่วงไม่ได้นะั่นนี่มันก็ต้องต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงบ้างจะเดินที่ไหนมันชอบก็่าจะเดินที่นั่นน่ะนั่งที่ไหนไม่ชอบจะนั่งที่นั่นมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีการปรับนะ เราก็จะได้แก้ไขะดังนั้นช่งชวงเช้านี้ก็ได้นําบอกเรื่องของความอยากเหตุทั้งความอยากหลายๆสาเหตุนะครับถ้าหากว่าเราตามทันในแง่ของตัวอื่นจอแก้ไขไดไ้ไม่ยากครับก็ช่วงชานี้ขอให้บทเรียนเพียงแค่นี้แล้ว ก, การบันทึกอย่าเพิ่งไปทําไปทํานู่นครับตอนเย็นตอนกลางคืนไปทำนู่นนั้นก็ได้ไปทําตอนที่ปฏิบัติมันเสียเวลาโด่เฉพาะอาจารย์ศักดิ์ลุงศักดิ์ เมื่อวานี้จับคลหัวเลยวันนี้นะอีกสองซ้ำอาทิตย์คือจะได้บดเนินอยู่หรอกนะบดเป็นเนินถ้าก็ขอนณนตากราบพร้อมกัน